หลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยนะเป็นพระผู้ใหญ่นะที่ได้รับความเคารพนับถือมากนะในวงการพระกรรมฐานท่านมรณภาพไปนานแล้วนะเกือบ30ปีแล้วชีวิตท่านเนี่ยในวัยเด็กนี่ก็ลำบากนะเพราะว่าท่านกัมพาพ่อกรมพาแม่ตั้งแต่อายุ4ี่ขวบเป็นเด็กก็ต้องทำนาพอเรียนหนังสือก็ต้องหาเงินมาเป็น ค่าเราเรียนยไม่ใช่ว่าจะมีคนส่งเสียให้เรียนได้สบายๆลาบากนะแต่ก็เห็นคุณค่าของการเรียนการศึกษาเสื้อผ้าท่านก่อนท่านบอกไม่เคยซื้อหรือไม่เคยใส่เสื้อผ้าที่ซื้อมาจากตลาดเลยต้องเย็บเองตั้งแต่เล็กนะท่านก็ขนขวายเรียนหนังสือจนทังยี่สิ้านะมีโอกาสบวชเนน ท่านยินดีมากเลยแล้วท่านก็บอกหรือตั้งใจว่าเนี่ยเมื่อบวชเนี่ยแล้วเนี่ยก็จะบวชตลอดชีวิตในชั่วชีวิตนี้จะไม่มีวันมาใส่อังเกงอีกเพราะว่าเห็นนะชีวิตของคารวะนี่มันทุกข์เหลือเกินเพราะท่านบวชเนีนี่ท่านก็ตั้งใจนะตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็สามารถสวด ปฏิโมกได้ตั้งแต่งเป็นเนนะบวชสวนปฏิโมกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องใช้ความเพียรพยายามมากแถมท่านยังสามารถจะเทศสอนโยมได้ด้วยนะตั้งแต่เป็นเนนแต่ว่าชีวิตข อ, องท่านสายเป็นเนรก็ก็ลําบากนะถึงแม้ว่าจะสบายกว่าตอนที่เป็นเด็กนะเป็นคารวะก็ตามปัจจัยที่ได้ อันนึงปัจจัยเสียนะจีวอรหรือแม้ทั้งอาหารนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากแต่ท่านก็ไม่ท้อถอยนะมีเรื่องเล่าว่าวันนึงเนี่ยท่านฉันเสร็จเนี่ยไปเจอหมาตัวหนึ่งผอมโซมากมันผอมแบบไม่มีเรืองไม่มีแรงเลยท่านสงสารนะอยากจะช่วยหมาแต่ว่า บานเนี่ยไม่มีอาหารเหลือเลยเพราะว่าท่านฉันหมดไปแล้วท่ที่ฉันนี่ก็ไม่ได้ฉันเยอะอะไรนะแต่ว่าอาหารที่เนยได้รับนี่ก็ไม่ได้มากอะไรสงสารหมามากทํำยังไงเนะท่านก็เลยใช้วิธีนะเอามือเอานิ้วนี่ยล่วงเข้าไปใน่อเนี่ยเพื่ออเจียนอาหารออกมาอาหารเก่าที่ท่านฉันไปแล้วนี่ท่านอาเจียนมาหมดเลยนะ เพื่ออะไรนะเพื่อให้หมาตัวนี้ได้กินได้ประทังชีวิตเพร่มหมา ก, ก็กินอย่างหิวโหยมากเลยนะจนหมดแล้วมันก็เริ่มมีเรื่องม่แรงแต่ตัวท่านเองเนี่ยนะก็เรียกว่ามื้อนั้นก็อดไปต่อหลังเนี่ยท่านเป็นพระแล้วกลายเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อนึกถึงชีวิตที่ลำบากสมัยเป็นเนี่ยท่านมักจะบอกญาติโยมว่าอย่าลืมเนน้อยนะ เพราะว่าเนเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนใจทำบุญให้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ไปทำบุญกับพระเนนก็เลยอดนะหรือว่ามีอาหารไม่มากนะจีวอนก็เก่าท่านก็เลยบอกโยมว่าเนี่ยนะอย่าลืมเนนน้อยนะให้ใส่ใจทำบุญกับเนนน้อย เพราะเนรน้อยเนี่ยนะได้อะไรมาแม้เพียงเล็กน้อยก็ดีใจแล้วและท่านก็ยังเตือนญาติโยมนะว่าเนี่ยโยมที่เลือกถวายเฉพาะพระอริยะเนี่ยจะต้องนึกเสมอนะว่ากว่าจะเป็นพระอริยะได้เนี่ยนะท่านต้องผ่านชีวิตการเป็นเนนมาก่อนอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ญาโยมหลายคนเนี่ยมองข้ามนะญาโยมหลายคนอยากจะได้บุญมากแล้วก็เลือกจะทําบุญกับพระอรหันต์พรริยะเห็นว่าเนนเนี่ยนะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ก็เลยเมินหลวงพ่อพูทท่านก็เลยเตือนว่าเนี่ยภา ร, ริยาทั้งหลายเนี่ยนะท่านก็เคยเป็นเนมาก่อนทั้งนั้นแหละนะถ้าโยมไม่อุปถมัมเนนแล้วเนี่ยแล้วจะมีพระริยะหรือพระอรหันต ได้อย่างไรหลวงพ่อผู้ท่านก็เลยบอกเนี่ย <c oughs> การทำบุญก่อนเนี่ยมันได้บุญมากนะอันนี้ก็คล้ายกับเรื่องของท่านเจ้าคุณปู่บาเรคุณอุปมา จ, จาร์นะท่านเป็นสายธรรมของหลวงปู่มั่นนะเป็นพระผู้ใหญ่นะชั้นรองสมเด็จทีเดียวและท่านก็ชอบนะให้หารเนนมา ชักชวนเนเนเนี่ยมาเรียนหนังสือในกรุงเทพเนนเป็นร้อยเลยนะญาติโยมหลายคนก็ไม่พอใจไม่เห็นด้วยแนะยงทันว่าเนนพวกนเนเนหัวขี้กลาง ก, กินข้าวเย็นจะไปสถาบันทำไมท่านเจ้าคุณท่านก็พูดดีนะท่านบอกว่าอย่าไปว่ามันนะไอ้พวกหัวขี้กลางเนี่ยนะ ต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยมันจะคําตุนศาสนาและที่ท่านพูดก็จริงเลยนะเพราะว่าพระผู้ใหญ่ในเวลาต่อมาเนี่ยที่เป็นกําลังสําคัญของศาสนาเนี่ยก็รู้แล้วแต่เคยเป็นเน้นหัวขิดกามมา ก, ก่อนและตอนเป็นเดนกก็อา จ, จะเคยกินข้าวเย็นด้วยนั่นจะคุณนี่ถ้าเป็นพระที่เคร่งนะเคร่งในพระวินัยนะแต่ถ้าก็เข้าใจเด็กนะว่าเด็กเนี่ย นะที่มาบวชเนี่ยก็ไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธาแต่บวชเพราะต้องการโอกาสในการเรียนหนังสือพอหน้ามาบวชแล้วนี่ก็อาจจะไม่เรียบร้อยบ้างอาจจะกินข้าวเย็นบ้างแต่ว่าถ้าว่าไต้รัการดูแลดีนะดูแลทั้งจากพระในด้านคำการศึกษาการอบรมแล้วก็ดูแลด้านปัจจัยสี่จากญาณโยมก็มีโอกาสที่จะเติบโตเป็น พระดีได้และที่ท่านจะคุณเนี่ยท่านเข้าใจนะว่าเนี่ยเนนจำนวนมากเนี่ยมาเรียนก็เพราะว่าต้องการโอกาสในการศึกษาเพราะว่ายากจนเนนแบบหลวงพ่อพุธเนี่ยที่มาบวชเพราะต้องการพ้นทุกเนี่ยนะแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมท่องปณิมโมกได้เนี่ย ด้วยศรัทธาในพระศาสนาเนี่ยมีน้อยนะส่วนใหญ่ก็อยากมามาบนน่นในเพราะความยากจนและต้องการโอกาสในการศึกษาเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะการศึกษาเนี่ยมันโดยพาการศาึกษารศาสมัยใหม่เนี่ยมันเด็กยากจนที่เข้าถึงยากนะเพราะโรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแพร่หลายตรงข้ามกับสมัยนีย้สมัยนี้ น, นี่โรงเรียนนี่กระจายไปยังทุก หมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะเด็กชาวบ้านเนี่ยแม้จะยากจนก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมนะเพราะว่าทางการก็มีนโยบายนะให้การศึกษาเนี่ยให้คนทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาจนถึงมัธยมเลยสิ่งที่ตามมาคือว่าเด็กที่จะบวชเนี่ยมีน้อยลงนะเดี๋ยวนี้ เนนมีน้อยลงมากเลยนะเพราะอะไรนะเพราะว่าลูกหลานในชนบทเนี่ยนะสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้สะดวกขึ้นแม้จะยากจนสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยเป็นช่องทางเดียวนะสำหรับเด็กยากจนที่จะได้เรียนหนังสื อ, องั้นลูกคนจนนี่ก็ต้องมาบทเนนแล้วก็พอบทภาคก็ได้มีโอกาสเรียนหนังสือมากขึ้นพอมีความรู้แล้วก็ศึก อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่คนสมัยใหม่ไม่เข้าใจนะว่าทําไมบวชเนแล้วมาเรียนเรื่องทางโลกหรือว่าบวชพระและ้วทำไมมาเรียนมหาวิทยาลัย อ, อันนี้เพราะว่ามันเป็นโอกาสของเขานะที่อาศัยอาศัยการเป็นพระเป็นเนรนี่แหละนะเป็นช่องทางในการศึกษาแต่ถึงแม้ศึกไปนะเขาก็เป็นพลเมืองดีได้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะ อย่างที่บอกนะการศานี่มันแพร่หลายลูกชาวบ้านนี่ก็ไม่ต้องมาบทเนรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลยมีเนน้อยลงซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะว่าจะมีเนเนีเน่ยมาสืบทอดศาสนาเป็นศาสนาทายาได้อย่างไรเพราะเนนก็น้อยลงก็ต้องอาศัยพระหนุ่มนั่นแหละนะแต่ก่อนเราพูดพระหนุ่มเนรน้อยแต่เดี๋ยวนี้พูดได้แต่พระหนุ่มนะแต่ว่าเนน้อยก็ มีน้อยลงพระหนุ่มๆเนี่ยซึ่งอาจจะมาบวชแล้วก็ไม่ได้มีศรัทธาในพระศาสนาแต่ว่ายังปรารถนาช่องทางในการศึกษาก็อาจจะไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าถ้าได้รับกรอุปถัมภ์จากญาติโยมนี่หรือว่ารวมทั้งได้รับการดูแลจากหมู่สงฆ์นะก็มีโอกาสที่จะเป็นพระดีที่ศรัทธาในพระศาสนาได้ที่จะบวชสั้นๆแล้วก็กลายเป็นมาบวชยาว แล้วก็สายมากจะไปกลายเป็นกำลังของาศาสนาได้แต่ที่จริงจะหวังพึ่งพระก็ไม่ได้นะก็ต้องหวังพึ่ง อ, อุบอ้บาสุกบาสิกาด้วยนะแม่ชีก็ดีญาติโยมก็ดีเดี๋ยวนี้นะที่สนใจการปฏิบัติธรรมก็มีมากก็ควรท่าวัฒนการอุปธรรมนะให้มาศึกษาปฏิบัติธรรมญนะาติโยมก็มาสัตย์ก็อดนุนในเรื่องของข้าวปลาอาหารปัจจัยสี่ เป็นกำลังให้กับคนที่สนใจปฏิบัติธรรมคนเหล่านี้ก็สามารถจะเป็นกำลังให้กับศ า, าสนาได้รวมถพวกเราแต่ละคนด้วยนะถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมน้อมนำธรรมะเข้ามาสู่ใจของตนเกิดศรัทธาภาษาธาตุในศาสนาก็สามารถจะเป็นกำลังให้กับศ า, าสนาได้ถึงแม้ว่าเน็จะน้อยลงถึงแม้เนงมีน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ว่าศาสนาก็มีอนาคตได้พระก็ดีนะ แม่ชีก็ดีญาติโยมก็ดีนะสนใจนะใฝ่ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมจงกทั่งเห็นคุณค่าของธรรมและนำมาใช้กับชีวิตด้วยตัวเอง